Bangkok Radio For Men โดยวิทยาแสงอรุณน่าเบรกแล 3 แล้วนะครับนะครับกับ Radio For Men วัน 4 หนอนะครับมีพี่วิทยามีพี่โนกมีโอ๊ย <laughs> เอาถึงแบบที่เราเข้าใจใช่มั้ยถ้าถึงแบบที่เราเข้าใจไม่แน่นะคุณก็อาจจะเออไปกระบี่ถึง ตายแล้วคุณผู้ฟังคงเข้าใจเนาะเหรอมาเธอในห้องน้ําเธอก็ไม่อะไรตรงที่นั่งเหรอลอนดอนเลยเหรอเออเธอนั่งสายการบิน แล้วเกิดเหตุการณ์ที่เขาไม่คาดฝันเกิดขึ้นสวัสดีครับ 2 คนพี่วิทยาพี่เหนือครับ ผมพอดีเล่าแบบประสบการณ์นิดนึงที่ประมาณ 2 อาทิตย์ที่ผ่านมาครับอืมครับก็ผมผมนั่งอืม ครับแล้วก็พอหลับไปสักพักนึงแต่แต่ ประมาณถ้าเต็ม 10 ใช่ป่ะให้แค่ 6 พออีกเกือบไม่ผ่านเลยโอ้ย 6 ก็ยังโอเคนะคุณน้องดินก็เลยหลับเลยโอ๊ยไม่ลองสักอาทิตย์เลยไง ทำไมเราฟูอะไรอย่างเงี้ยอ้าวเออนั่งรถนะคะไม่ฮะไอ้นั่นนะครับแล้วตายจริงคุณ ตกลงไอ้สดุ้งตื่นทีละครับพี่แล้วมันก็สมมุติใช่ป่ะเค้าก็แบบเฮ้ยพอฟูปุ๊บตุ๊กติ๊กตุ๊กดิกตุ๊กดิกเฮ้ยอะไรอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยพี่แล้วเราก็แบบประมาณว่าตกกระจายอ่ะครับอืมก็เฮ้ยเลยตั้งสติว่าเออถ้าเราวุ่นวายเค้าจะแบบอะไรอย่าง ก็ยังคิดว่าเอ้ยจะทําไงดีก็เลยแบบปล่อยไปก่อนอ่ะปล่อยไปไม่แสดงว่าเธอก็ต้องมี ไม่จะห่อพอนะไปสักครั้งนึงใช่มั้ยที่เรารถมันเลี้ยวเข้าตรงมาซะเนมาลีอ่ะครับก็แบบว่าก็เลยเอ๊ะทําไงดี เค้าก็เหมือนว่าเค้าก็ยิ่งห้ําอ่ะเค้าก็เหมือนประมาณ พอก็เลยตะโกนบอกรถตุ๊กว่าจัดไปพูดนึกว่าเป็นแฟนกันของมันเออโอ้เออผู้หญิงสมัยนี้ก็ก็ดีเนาะก็ก็ อ่าอืมประมาณนั้นแบบกลัวมากน้องคู่ใหญ่เลยคราวนี้ไม่พับไม่ ไม่เคยที่เคยมีแต่แบบคนอื่นเค้าเล่าให้ฟังไงก็เลยไม่ได้ระแวงไม่ได้อะไรแต่ตัวจริงได้เจอของคือคือคือคือมียังมียังมี ดีวีดีถ่ายรูปไปแล้วเออเท่าหลังตายถ้าไม่มีชนีนาง ปรบตบใจไม่ไหวแล้วนะก้มหน้าทีสิไม่ไหวโอยพี่ตะลักจะเรียก ที่กล้องเป็นบ้าเลยมรูปครับผมโชคดีนะจ๊ะนะคะสวัสดีครับวันคือรักที่ผ่านพ้นหรือคน เป็นครับน้องสาวเธออ่ะโอ๊ยสมมุติที่ฟังจนแบบโหจะนั่งไม่ ที่ประสบการณ์แบบนี้ก็เคยเจอแบบโอ้โหคนรูปคนกันทั้งนี้เนาะฟังที่ลุกครับไม่เชื่อถึงแค่จะรู้คนอย่างเดียวเท่านั้นที่ลุกเออก็รอดไม่รู้เอออ่ะ ก็น่าจะเป็นรักที่ผ่านพ้นดูในเอ่อ Facebook ดูใช่มั้ยก็ก็ก็ไม่ ก็ตั้งแต่เรียนมัธยมก็น่าจะ 30 ปีจนไม่ถึงขนาดวัยผู้ดีก็น่าจะประมาณสักปีอืม 20 ก็จะได้ยังจําชื่อเขาได้เลยนะเนี่ย เขาจะใช้มันก็จะมีช่วงนึงที่ตอนนั้นพอนทิฟน่าให้มันสนุกเค้าเค้ามีมีแฟน เอ่อไม่ครามุสิกก็คงดีอ่ะค่ะเพราะว่าตอนนั้นก็คือทุกเพลงที่มันเด็กเนี่ยโอเคเสน่ห์ก็จะรับกันอยู่ คือตีนด้วยอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ดําก็ขาวนี่นะผมก็ยังไม่รู้มันเค้าสิบอกว่าก็คือด้วยความที่แบบเอ่อตอนที่มีเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ย หนีเผอด้วยเหมือนจะข้อใส่เค้าแล้วใช่ค่ะแล้วแบบก็คือแล้ว 2 คน ผู้ใหญ่จะแค่ขอโทรหาท่านแต่ว่าเรารู้ดีแล้วในความที่เราจะครับเพราะ เอ่อเขาจะเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยคือเราก็ไม่รู้ มีไม่ใช่ถึงสาวหรือพี่ๆโนฟูนอ่ะคือ ก็เป็นลูกชาคนเนี้ยสุดท้ายๆใช่มั้ยหรือคําพูดที่ ขี่ได้นะโอเคจ้าอ่าเดี๋ยวก็ต้องให้เลือกเพลงก่อนพี่โหนกจับฉลากขึ้นมาพี่พี่วิทยาแล้วก็ เพลงเลยก็ไม่รู้น่ะเดี๋ยวฟังซีฟผญได้ครับแต่ที่จริงก็ซึ้งมากนะครับเนี่ยว่ารู้สึกว่าดูดูแล้วเพลินรู้สึกก็ เลือกเพลงที่พี่นพจับฉลาก FIR FIR ZT ชื่อเพลงเธอเข้านะก็เออเค้าก็ยัง ฟิลิปปินส์มันเหมือนว่าเอออะไรประมาณมันรวมๆกันไอ้คํานึงนึกไม่ ครับสวัสดีครับอืมฟังอยู่ครับฟังอยู่แล้วเพลงโดนบ้างหรือยังคนมีโค้ดนะโดนตั้ง ไหวเธอต้องที่รักอย่างน้อยอาทิตย์เออบํารุงร่างกายคือบํารุงร่างกายเออทําให้ใช่ใจบํารุงหัวใจปากอ่ะจะพูด เคยคิดถึงตอนนี้เค้ามีฟังหลักตอนนี้เค้าคงหลับปุ๋ยแล้วหลับไปแล้วแล้วหลับพรทิพย์ไปแล้ว ลูกหำกับครับเออเป็นออกแนวนั้นกวนทั้งอ๋อคือผม ขอน่าจะไปดินเนอร์อะไรประมาณเนี้ยอ๋อน่าจะไปกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยไม่แถวไหนเท่า น้องเค้าวันวาเลนไทน์แล้วพี่ๆไม่กลัวคนมองว่าไอ้ๆนั่งโต๊ะนี่นั่งตรงข้ามหรือนั่งข้าง ข้างมือเขี่ยอยู่พรุ่งนี้อ๋อตัวเล็กๆตัวเล็ก อ๋อประมาณตัวเล็กทั้ง 2 คนนึงนะตัวไอ้กระทังอืมโอเคพี่พี่ขอบคุณมากครับครับ พอตอนนี้ตอนนี้ก็ดีเลย์อยู่ดีแข็งนะ มั้ยแน่มาแล้วแสงมันน้อยโอเคทุกคนหน้าตาดูดีหมดเมื่อแสงน้อยใช่มะอ้าวตายเห็นแต่หน้าผากซะแล้วมาอีกสายนึงกล้องถามไปเจอเลยชั้นเดียวรู้ทั้งอ่าว่าไงก็สบายดีครับ เดี๋ยวเราลืมเดี๋ยวนิดนึงคือไปรู้ที่อายุห่าง 2 รอบ 2 รอบใช่เหรอก็เป็นพ่ออาจารย์อ๋อที่เค้าเป็นอาจารย์ชื่อดังเออพี่จํา ชอบคนมีองค์อ่ะคนเนี้ยทุกคนก็มีองค์ๆนะครับอืมเหมือนท่านมาก็ยังเฉยคนนี้เป็นเหมือนแบบ real first impression นะพี่ไม่ใช่ first impression real first impression แล้ว เข้าเข้าจะไม่อ่ะครับจะไม่เพราะสงบสติอารมณ์อืมก็ประมาณนั้นครับอืมเปลี่ยนเปลี่ยนแพ็คเป็นอ๋อมีคนบังคับให้โทรมาด้วยอะ อ่าไม่ไม่ไม่เหมาะคนให้โทรมาใช่อ่ะเพราะคนคนนั้นเค้าเป็นแค่เค้าเป็นพี่ชายที่รู้ บอกว่าเข่งตลอดทุกวินาทีโอ้มากขอพี่ๆอีกอ๋อไม่ไม่ใช่ครับที่ ฮะคิดถึงกําลังกําลังครับกําลังกําลังอืมกําลังกําลังจะได้เจอแล้วก็จะรู้มั้ยอ่ะอ่าน่าจะไม่รู้อืมอ้าวเหรอน่าจะไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเค้าอาจโอเคน้องปุ่นขอบคุณ อ่าเพลงอะไรก็ไม่รู้แหละอืมอืมเพลงเพลงนี้อาจจะตรงหรือไม่ตรงนะโอ้ตายละยัง ตรงแต่ว่าครับครับ Qui ho plauplieu hintern i don cun สุดก็เดี๋ยวอืมมีสายเข้ามีสายเข้ามีสายเข้าเหรอสวัสดีจ้าจ๊ะครึ่งครึ่งครับครับผมกินอะไรอยู่กินอะไรครับเดี๋ยวไปจ๊อบๆๆๆโอ๊ยไม่มีแรงกินครับยังทํางาน วันนี้มีไปฉลองแฉล้งเลยเค้ามั้ยอืมทําให้คุณอื่นเขาฉลองแล้วครับๆไม่ได้ฉลองใช่ๆน้องทามนิดนึง มีไหมในตอนนี้ 550 ช่อครับโอ้โหนี้วัน 550 ช่อครับแล้วรู้ป่ะ 20% ได้ 20% ผู้ชาย 2 ถึงผู้ชายใช่ๆประมาณน่าๆจริงๆไม่ใช่ว่าเป็นใช่แต่ว่าๆๆก็ส่งใครส่งให้ ต่างประเทศอ่ะส่งมาให้ผู้ชายในประเทศไทยครับอ๋อไอซี 550 ช่อแต่แต่ตรง 1 ใน 799 ดอกแล้ว แล้วก็เป็นผู้ชายให้กับผู้ชายครับโอ๊ดน้ extraordinary adalah εί כoung $99 mm Бราคาประมาณถ้าไหมครับ อ่าที่ร้าน Hence ราร Alfred hineDP $99,000 99,000 บาท ก็คือrebbe perfectly ановấy vocêsual have thisasına decided to decide. Google. Coushold of the full hit the incomeellaND. Follow this. Ok, what can our Support insurance proposal look there. Think it's a discount product. Yeah, mom, j depains knowing your Cash. Lem bien. Yes, that's right Rosen approved their price. He is a custom dollar. King. Guys that you're a customer. It's a перек." ปกติทําคือทําสูงสุดคือ <อะ? S 2> 99 ดอกครับ 799 บาท 19 ครับผมแล้วจะมัดกันยังไงเลยอืมอืมอันนี้คล้ายๆรถรถรถยานอ่าเค้าโลบะบะ ใช่ธรรมดานะคุณอืมไม่ใช่แบบคือลูกค้าคนนี้เคยสั่งแล้วในปีที่แล้วครับเป็น น่าจะอยู่ที่จะอยู่ที่ UAE มั้ง 799 ดอกใช่ผู้ชายอยู่อ่ะอ๋ออยู่ขุนน้ํามันแล้วก็ 799 ดอกทําไม 799 ทําไม 999 ก็ Request เค้าตอนแรกเค้ารีเควสมาเป็น 999 ครับมันไม่พอใช่มั้ยๆอย่างคือเสมือนเดือนแล้วก็ 799 กับ 999 ความหมายถ้าพูดถึงความหมายอ่ะ 799 ความหมายดีกว่าอ๋อเหรออืมใช่ถ้า 999 ความหมายต่างกันยัง 999 ถ้าขอความรู้สึกของผมมันน่าจะ ทำไม 5 เหนือเข้าไปเลย 769 ไปเลยจบทาวโอ้ยอืม 99,000 บาทดอกไม้ 799 ดอกใช้ใช้เชือกมณิลารัดแต่ อ่าเค้าไม่เคยส่งผ่านทางร้านฮับนะได้แล้วแต่ถ้า ครั้งล่าสุดเค้าเค้าที่ทราบ 28 เพราะว่าเค้าเค้าให้ทําช่องก็ต้องต้องรอเลยใช่เพราะว่าต้องรอค้นว่า โอ้สายจัดทําเรียบร้อยแล้วสิ่งส่งมาแล้วเอ้ยออฟฟิศบริษัทฮาร์บีลูกค้าคน 99 ดอกใช่มั้ยครับเป็นท่อเป็นท่อ 2 หญิง 1 ชาย 2 หญิง 1 ชายอาจจะเป็นคุณแม่ไม่ใช่นั่น 99 ดอกมี 1 กระเช้านี่อ่ากล่าว 2 กระเช้าอืมซึ่งทั่วเขียนหวาน เออเอาต้นเลยคุณต้นเลยมาต้นเนี่ยอืมจริงๆมันมันมีอะไรที่ครับบางทีแบบเออบาทอือ 3 ใบ 3 ใบก็ปั๊มบาทละเอ่อบาทอือใช่ครับ ก็มันขึ้นตามราคาดอกไม้เนาะแล้วก็เทศกาภิเทศน์แต่ 19 มีคนลงทุนขนาดนี้คือเค้าล่ําซําธรรมดาอะไร ก็โชคดีนะครับตั้ง 20% ของยอดทั้งหมดที่ร้านอัพเอ่อแต่ครับเชื่อว่าที่อื่นก็คงต้องมีประมาณไหนเล็กกลางใหญ่ค่ะถ้าในความรู้สึกนะครับถ้าปกติ อืมพอ 1 เค้ามีการโฆษณาที่ดีอืมแต่ถ้าจริงๆแล้วจํานวนอ่ะใช่จํานวนออเดอร์ที่ร้านหาเวลาบอ่ะหาเวลาหาบอ่ะน่าจะชนะมีฮิลลี่นะแต่คือร้านทํา เออแล้วก็คือถ้าจะลงลงกันน่าจะนะพรุ่งนี้วันเดียวแล้วคน ครับแต่เรื่องน่าสนใจมากน้องครับอุ้ยใช่มั้ยไม่มีแฟนเค้ายังโตอยู่ไม่ถึงแม้จะว่ากับเพลงของพี่เอที่เหลือ 2 เพลงไม่รู้ อ่ะเพลงไม่เพลงอะไรลองฟังครับยังไม่ 550 ช่อ 20% เป็นผู้ชายของผู้ 799 ดอกราคา 99,000 99,000 บาทซึ่ง You could come talk take nine my make him come to you to bite a glass a tower get one cat rang pro yingern komai ru sat tee เพลงอะไรเพลงอะไรพอดีชื่อ งงคนที่ขอเป็นคนที่เลือกคือคนที่ขอเป็นคนอืมจะถูกใจมั้ย Facebook นะครับว่าอยากจะได้เพลงนี้มี 2 สายรอ สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีจ้ะสวัสดีเลยจ้ะสวัสดีค่ะไหนหน้าให้ตานะจ๊ะไม่ค่ะหล่อตลก ไม่ไม่ตอนนี้ตอนนี้ปาลอยู่ในช่วงอยากอยู่คนเดียวตัดทุกทางขออยู่คนเดียวเงียบก่อนกันมีเอ่อน้ําตากับความลมหายใจอันไหนจะหมดก่อนอืมไม่ต้องหาอีกๆๆๆๆเมื่อกี้เมื่อกี้ แต่คือพวกกลุ่มปินรอถูกใจหมดเลยได้ยิน Facebook วันนี้ 40 กว่าท่านเลือกมาก็ไม่ตรง เออ 799 ดอกน่ะอยากได้ใช่มะโอ๊ยดอก 3 ปีแล้วไม่ใช่เลยโหผู้ชายคนนั้นไม่ให้ดอกอ่ะหือไม่ไม่แต่จริงคือคือไม่ชอบ อืมไม่ชอบผู้ชายเจ้าเซยผู้ชอบไม่ชอบหรอเป็นคนไม่ชอบอ่ะดีนะฮะ กับคนที่คิดถึงจะพูดถึงใครดีตอนอืมยังเป็นยังปิดยังไม่ตัดสินใจอยู่ แอบนั่งดูอยู่แล้วคิดว่าเขาเป็นแฟนกันเค้าลวงพาสอยู่ก็ ถ้ารักตัวเองไม่เป็นก็ไม่มีทางรักใครเป็นหรอกค่ะอู้ถูกต้องถูกต้องใช่แหละเราต้องเริ่มจากการรักตัวค่ะโอเคค่ะ โอเคสายนึงสวัสดีครับฮัลโหลครับใครล่ะเนี่ยฮัลโหลอนุชวันนี้จะไปฉลองวาเลนไทน์กับใครหรือเปล่าไม่ว่างอยู่เลยใช่มั้ยประกาศหาเลยอีกมีเวลาเหลืออยู่ 27 นะครับเออแล้วก็น้ําหนักก็ส่วนส่วน 168 ครับเออมันไปนิดนึงเนี่ยอืมรอได้อยู่อ่ะพรุ่งนี้อยาก อยากจะได้แบบไหนคือสเตตัสเข้าไม่สเตตัสหรือว่าอารมณ์หน้าตาหรือว่าคนโอเคยังไงก็ได้ผมไม่เรื่องมากอ๋อเออง่ายสําหรับคุณก็ วาเลนไทน์ทุกๆปีบางคนก็รู้สึกเหงาบางคนรู้สึกว่าตัวเองทําไมไม่มี เติมสตางค์ไปแชร์ๆกันก็ 3-400 นั่นแหละ 10 คนแล้วก็อาจจะไปเจอคนที่ พี่น้องไปแซกกัน Facebook ว่ามีใครได้ดอกไม้มั้ยทั้ง ปกติติดสติกเกอร์นี่จะมีติดสติกเกอร์หัวใจง่ายอันนั้นง่าย อนุญาต 1, 1 วันอ่าน้องนัทอยากจะพูดอะไรมั้ยกับด้วยความรักความรักให้ความคิดเห็น ครับมันคงเป็นไปไม่ได้แล้วอือเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะเค้ามีแฟนไปแล้วก็คงประมาณอือนะยังแต่ก็อยาก หรือคนที่คิดถึงนะครับอันนี้ปิ๊นไม่อยู่ๆกันแล้วก็ยังมีเพลงในแชทวันนี้มีอะไรบ้างอ่ะได้รับแล้ว รูปหน้าส่งภาพมาให้โหวตเพลงเพ้อมากพิพัทยาโดน รู้อีกคนนึงก่อนนะได Facebook ได้คืนนี้ 1 2 ค่อยนอนนะ<เอ> Facebook นะครับก็วิทยาแสงอรุณ facebook.com หรือ facebook.com/วิทยา s, <เอ> <S น, Facebook. com, slash, Facebook. นะ ใน Facebook แล้วกันนะครับเดี๋ยวประกาศๆมี BB BlackBerry User of Thailand นะครับไปเสิร์ช User of Thailand แล้วใครมี BlackBerry ก็ไปแอดกันเดี๋ยวจัดปาร์ตี้ BlackBerry แน่แล้ว BlackBerry ก็ไปได้เดี๋ยวพยายามช่วยกันดู พี่น้องจ๋ามีบิมีบิกกี้แล้ว เป็นเพื่อนคู่ยิ่งของฉันตอกนิ กันเธอรอผู้ชาย คืนนั้นเป็นผู้หญิงคมเชิญตอบได้ไหมว่าใช่ไหมที่ไหมมาปล่อยใจมา working station fm102 คลื่นคนทำงาน